วิธีสร้างเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องอยากได้ความมั่งคั่งอยากได้ความรักอยากได้ความสงบหนักแน่นเป็นสมาธิต้องควบคุมอารมณ์อยากได้และจัดการอย่างไรเป้าหมายเกินตัวอาจทําให้สุขเมื่อตาลอยนึกถึงเล่นเล่นแต่จะทุกทันทีเมื่อเทียบกับเรื่องจริงตรงหน้าแล้วเกิดอารมณ์อยากได้ขึ้นมาจริงๆแต่ไม่มีทางเป็นไปได้แน่ๆ เื่ออารมณ์อยากได้ครอบงำจิตคุณจะเกิดจินตนาการที่ใหญ่โตเกินจริงเสมอเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมไม่สมจริงเสมอเป้าหมายเกินตัวหรือเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้จริงเขาเรียกว่าจินตนาการสุดสายรุง้งหรือวิมาณในอากาศก็ได้คุณจะมีความสุขอยู่กับมันตราบเท่าที่ยังตาลอยนึกถึงมันเล่นเล่นได้แต่ความสุขจะแปลเป็นความทุกข์ทันที ที่เรื่องจริงตรงหน้าถูกยกมาเปรียบเทียบแล้วกลายเป็นอารมณ์อยากได้ขึ้นมาจริงๆแต่ไม่มีทางเป็นไปได้แน่ๆตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็เช่นเมื่ออยากได้ความมั่งคั่งเกือบทุกคนไม่รู้ว่าควรตั้งเป้าเพิ่มเติมให้เกิดมีนิสัยของคนมีไรายได้งามกันอย่างไรไม่รู้ว่าต้องมีใจรักอะไร ขยันคิดขยันทำแค่ไหนเมื่อไม่รู้จึงเริ่มต้นบันไดขั้นที่หนึ่งด้วยจินตนาการเกินตัวฝันหาชื่อเสียงรถสปอร์ตเรือยอทบ้านใหญ่กับเงินสด8หลัก9หลักหรือสิบหลักสุดท้ายกลายเป็นลูกจ้างคนรวยหวังลึกๆว่าคนรวยจะช่วยให้รวยบ้างเมื่อมีรวยสักทีก็ได้แต่แอบด่าคนรวยไม่ให้ได้ยิน ไม่อยากได้ความรักเกือบทุกคนไม่รู้ว่าควรตั้งเป้าปรับเปลี่ยนนิสัยเข้าคู่กับใครไม่ได้ที่ตรงไหนไม่รู้ว่าความรักต้องตั้งต้นจากการทําตัวเป็นที่รักเมื่อไม่รู้จึงเริ่มต้นบันไดขั้นที่หนึ่งด้วยจินตนาการแบบไม่รู้จักตัวเองปัญหารักแท้ที่เล่าขานคิดถึงตำนานผจญภัยที่หวานแหววสุดท้ายกลายเป็นการเรียกร้องตามใจตัว แบบที่ไม่มีใครหยิบยื่นให้ได้จึงต้องแยกทางกับตัวประกอบบนทางผ่านเพื่อขี่รุ้งตามหาพระเอกนางเอกกันต่อไปเมื่ออยากได้ความสงบหนักแน่นเป็นสมาธิเกือบทุกคนไม่รู้ว่าควรตั้งเป้าละทิ้งมีสายอยู่กับตัวเองเงี ย, งยบๆไม่ได้ที่ตรงไหนไม่รู้ว่าจะเข้าสู่ความเงียบต้องไม่มีแม้เสียงเรียกหาความเงียบ กึกก้องอยู่ในหัวเมื่อไม่รู้จึงเริ่มต้นบันไดขั้นที่หนึ่งด้วยจินตนาการลมลมแ้งแรงฟันหาชาญยานอิทธิปฏิหารการรู้เห็นลี้ลับหรือกระทั่งมรรคผลตามเสียงเล่าลือสุดท้ายได้แต่ติดกับดักอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งล้วนก่อให้เกิดความปั่นป่วนฟุ้งซ่านจับจดแต่พอไม่ได้ดี ก็ไม่อยากโทษตนเองเลยหาเรื่องโทษครูบาอาจารย์บ้างโทษตำราบ้างต่อเมื่อควบคุมอารมณ์อยากได้แบบดิบๆสามารถจัดการกับความคิดของตัวเองแปรอารมณ์อยากใหญ่ๆให้เป็นเป้าหมายเล็กๆที่สามารถเอื้อมคว้าหรือลงมือทำได้ทันทีจินตนาการเกินจริงจึงหายไปกลายเป็นความสุข ที่ได้อยู่กับเป้าหมายตรงหน้าแทนได้ขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งสบายๆแทนการพยายามสร้างก้าวกระโดดอันยากเย็นและไม่มีทางเป็นไปได้จริง